คนที่ใช่สามแบบเจอแล้วถูกใจมากบุญเก่าเดี่ยวก็เพียงพอไม่จำเป็นต้องเคยเป็นอะไรกันมาอยู่ด้วยแล้วเป็นสุขบุญเก่าร่วมเคยอยู่กันมาดีๆเป็นสามีภรรยาเพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้องบุญใหม่ร่วมเข้ากันได้เกื้อกูลกัน อยู่กินแล้วชีวิตดีขึ้นบุญเก่าร่วมเคยอยู่กันมาดีๆร่วมกันช่วยคนร่วมกันรักษาศีลเจอกันในเวลาเหมาะบุญใหม่ร่วมคิดถึงกันในทางดีศรัทธาตรงกันร่วมบุญทุกระดับคือทานศีลภาวนากระแสบุญถ้าเคยสร้างมาด้วยกัน จะมีความเดืองดูดกันกระแสบาปถ้าเคยสร้างมาด้วยกันจะมีแรงผลักไสกันอากเจอแบบที่เคยทำแต่บุญหรือเคยทำแต่บาปมาท่าเดียวความรู้สึกจะชัดเจนไม่ซับซ้อนแต่ปัญหาคือหลายคู่เคยอยู่มาด้วยกันทั้งแบบบุญแรงทั้งแบบบาปหนักเจอกันใหม่จะขัดขาดเกินเกินมีความรู้สึกงงต่อกันเป็นอย่างยิ่ง แม้บุญเก่ามีร่วมกันมาไม่ค่อยพร้อมแต่เมื่อพบกันในการที่มีพุทธศาสนาอุบัติมีศรัทธาตรงกันแล้วน้อมใจร่วมบุญทุกระดับทั้งทานศีลและภาวนาคิดถึงกันในทางดีเล็งแลกกันด้วยสายตาอันเป็นที่รักชวนกันคุยในเรื่องน่าสบายใจพากันเดินไปในทิศทางของปัญญาเมื่อฝ่ายหนึ่งไม่รู้ก็ไม่โ p งด่าว่าทาไมโง่จัง จะหาทางช่วยให้ฉลาดขึ้นหวังดีแบบซุ้มเสียงมีสติปัญญาประกอบไม่ใช่หวังดีแบบตะคอกให้อารมณ์เสียกันไปข้างก็นับเป็นชาติที่ค่อยๆจูนชีวิตให้เกิดความสุขความเจริญขึ้นได้ในปัจจุบันกับทั้งเป็นประกันให้มีครบพร้อมในอนาคตตั้งแต่เจอแล้วถูกใจมากอยู่ด้วยแล้วเป็นสุขอยู่กินแล้วชีวิตดีขึ้น